ยกมือแตงหัวมือท่ายางบนตักมือขวาทับมือท่ายางเบรงล่มเข่าล่มออกรับตาเบาๆเบึงล่มเข่าล่มออก ปฏิ อ, อกรา <c oughs> เสร็จลเมือนานคักอนได้นักขอนพนมมาจากขอนเตปราทะขั้นที่เสียขนขันน่ะดียกว่าสินิพพานน้ำบ่ พาองเดียวไม่งมือกิคือว่ามาเนี่ยโอ้ไปงานกับ้ายมากกว่าใดเนาะด้นวัดเสียติด้านวัดเสียติงมากก่ด ประเทศย่อมอ cal, หนีจากบ้านได้ไหมปฏิภาปฏิภาคือว่าหนีจากวัดเหรอย่อมกับพวกนี้ปัญญาพระิเทพให้พระแต่ทังกระาษเกรามก็จะกับเพี้ยนออกไม่เรื่อยตอนนี้ก็บเพี้ยนไม่เรื่อยได้ไหคือตัพวกเก่ามันเรื่องกันเหมืได้กิดเงาพอองเก่าหมือนได้กิดเงาพอองเก่า เปลี่ยนไม่เห็นก็ทั้งโลกก็เรียวกับเปลี่ยนทั้งพระกเปลี่ยนได้มน้กจากเฝ้าคุตติยันทะญาติยันทกถูกตัญาติพระเจ้าหาทุกข์ก็เันวัดไออกไปวัดพอถูกเด้อถูกเพราบความถูกใจ นี่ยังไก็บว่าถูกใจกับทุกคนตัวไปได้เพื่นเขียนไว้คาถาผู้ดใดผู้ใดคาถาดูใจรักษาใจกับพระดูเราเจบเกนจุดวัดเพื่อนพระเฮ็ดว่าลรอพระนั่นนงบังใจว่าหรองีแต่บอกก็ขอต้มขอนมมาถวายหลายหลายก็บทำบุญติทำบาปได้ไปวัดทำบุญ ไปวัดทำบุญจิตตัวเจ้าของเด้งจิตตัวมู่พวกเอกเด้วันนี้พระจะเยอะวันนี้มีธุระไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญุไไ น, น, น, นไ ป, ไ ป, ไปละขนของไปพระยุงพระญาคขนไปพระเกิดจิเลศมาจากบกิเลศอะรักโลกหนึ่งตัวยิ่ๆยงองขอน้อยข่าแม่มาจากไหนมาจากความโลภ มันหิวเกิดความโลภพระท่านได้จินกกบวาตพระอิมไงเป็นได้ก็ ว, ว, วาก้องเขาหน่อยันเดนจิเรศครอบงำหัวใจจิเรศครอบงำชักนำให้ใจต่ำ้าท่าเดพระวังรูปก็บ่เขามาตวดมนยังกงาเงแงกงอกกกยู่ผ <c oughs> ู้เพราะของูใจหายในไรนี้หมดแล้ ไรมาหายองค์เราด้วยจุ่มทางไก่ทั้งไก่มาเอพระวัดหลวงปู่เคื่อเพนพ่านทั่วทียบแทะนั่นนึงบัได้ยูตลอกเจ็ดทั่วทียบตัวแดนบอกง้มได้ท่ายกเอ๊เบิงกวะเบิงกวะอยหลวงพ่อเจ็ดปุคืองกด้นม้วนเิดไปทางอื่นถึงตัวบุมีก็กิอูี่ตับลูกครูบาอาจารย์หลวงปู่อย่างสบายเป็น นี่ลูปของปูใหญ่วันทิพน์วันพระก็เอาขอตสมขนมมาได้หลายว่างไว้ของปูสวดมนต์ไหวพระขอรับเศษของปูกันเด้อ ย, ยกออกไปงา่ายเพราะฉนั้นเพราะนอกมักยากเอาคํานั้นมาแปฟังมงโลคทมมื อ, อยังยากเหมือนราทั้งโลกคนออกทังโลกนี่มาบวช ก, ก็ได้ ขอมา น, น, นาี่กติญากคือเก่าสิาอ้หลงปู่ลูกหลานจตไม่เบายากจะไม่ด้อประเด้๋ยวขมาเป็นลูกหลานพระกติยากดือ้อเก่าสิออาานั่นเ็เพราะอ่าเพราะบ่ทำฝุนบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาแล้วบ่มีความรอบรู้ว่าข้อมาอ้าหยัง มีมูมีพวกมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปินเผเหตุว่าทำเจ้าไหนก็ตามทำนองท้องท้ำว่าเป็นเราตามใจของมึงไงด้อยู่นี่ว่าสันก็ว่าจะไปวินตบาตก็ได้ยังงังอ้อมมาท้งนั้นเรารเคิ่ของสันแล้วไปจ้อยห <c oughs> นึ่งปูแบ่งปริมีณไ้ให้ดินี่นัง บายพนพุทธิคกับรองออกไปกับมาข้าเดียวรสบางแหงเินนางอ้อมบ้านแต่พันยู่บอกว่าจะเปบินตะบาขคือเก้าเหมืนตัวไปบ้านน้อร่อบ้านกอน้องตียวมากปอ่าเป็นออกบินตะบาาไก่เป็นพ้านางนกโดน เพื่อป้องกันย่อมเ็ดนะจากว่าย่อมเ็ดย่มหลับเฮ้ยว่าไปดอกวัดพระผานั่งรมธิโดนพระพานังทำบุญโดนวางตนตัวึไปหนังเดินไปโบทำบุญเอาของมาตรงพระในพระกิขั้นในพระเกิดเจเล็ดทั้งท่นสิงไปทำบุญ น่นดักถือว่าก้มหลวงปู่าไปพะกันทำบาปพระเกิดเจริญมันมีงานพระรอกก็แล้ไอ้สั ก, กิมมาเสริมก๋วยเตี๋ยวมาเสริมต้มนั่นต้มนี่มาเสริมอ่นเหตุบาปมันว่าทำบุญได้บุญหลายเจริญบ้านเอาแก้วใส่ ข, ขนมของหวานบอกขนยุกออกที่บาวาน นั่นเหตุว่าเหตุเสียบ่อะไรทำสิ่งใดให้ได้เห็ดหนังให้ได้ให้คำนึงถึงความได้ให้คำนึงถึงความเสียนั่นได้บุญใหได้ศินใหได้ทำให้ได้ขอวัดปฏิบัติของพระแม่คุบอาจารย์จะไปทำลายเป็นฝ้าสันในบาท ว่าพันิพาณโดยนี้บาดเป็นวัตถุนี้เป็นเป็นเสียกิเลตพระพุทธเจ้าเป็นไม่ถวยไม่จานบ้างหรอเห็นว่าพระพุทธเจ้าพุทธเอกเป็นเบิ่งหยุดอย่างละครตัเมือนี้พุทธศาสดาโลกเป็นแด้เห็นปฏิปทาของพระเจ้าตัเป็นพระเกมีบ้วมสดตัวฉันมือเดียว ประเทศนินเดียผูไปเที่ยวดูเถอะเท่ยวประเทศอินเดียวเขาขับรถเขาก็กิเข้าเมื่อเดียวได้ประเทศประเทศนี้ประเทศฮาวันตั้จงจอรดรถวันไหนตั้งปิกนิกขึ้นมา <c oughs> วันนี้หนทางไกลรีบเร่งเวลาน้อยทั้งคนรถเขาแก้วตะปางไหนบนแต่พอจะจอดได้เข า, ขาก็ไล่ข้าปลาเข้าเดียว ไปต้องเขาถังขยะแล้วเนาเดี๋ยวก่อนสร้างถ้วยก่อ น, นเดี๋ยวก้อนสร้างตั้งซ่อนก่อนขันจีขัน้นเ่ทันเวลาเท่กวป้าเท่กวาถงดำอุ่นพจน์จุนเจาไหนตีพอเงินประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถือว่าผมลุ่งค้นยากคนตนแน่ด้บัดแกจะตูปททัจไัยเงินท่องให้คนดิบัด <c oughs> จะแต่คันจีขัน้น หมอทําของพระเจ้ามาสอนตอนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตอนนี่มีแต่นายหลวงโอ้ยตรงศาลเด้อให้แตพ่พกันพิมพ์ทําบูญน <c oughs> นั่งรวดโดนโรอดตั้งกําหนดไว้รอดก็ได้มื้อนึงจะใหหลุด5นาทีเช้าแต่ละเช้าแต่ละเช้าให้พระให้เน้นอดใจ ผู้ดใดอดว่าได้กลับไปสัจกจะกยิอยา ก, กินจะเล่นก็ับไปบ้านทุนยืนหนี่มาฝึกหัดดัดนิดสัยจากบนนิสัยของเลิ้งขอ ง, ของคางเก็ฝึกได้บสร้างมุ่นในปลายขีดข้อมาฝึกให้ฟ้อนให้ยอนก็นได้นคนจงว่าฝึกบัดนี้มันไปต้องกิเลสว่ได้สิ <c oughs> จากบาปจากบุญเนาะ โปรเจกตเกเเป็นต <whereas> ่างต่างเลยโอ้ยก็เพราะขาดการทำบุญวันี้เน้าหลายแน้ดอกคนไทยแต่ทำบุญคือหลังหลังไปวัดไปทำสมาธินั่นที่ถูกต้องครับเห็นว่าทำบุญก็พาะใจญขนตะของไปถวายพระไปทำบุญของถวายพระทำบุญถวายพระทำบุญถวายพระทำบาปไปพระหนุ่มยากเห็นบนตะกี้ สันตังหันขามข้อเดียวของหวานกับขามเปียกมกออกวันสินขามสม้มไปใส่หายไปตัวใสเป็นก้อนมาเสารลานเล็กตลน้อยแกกเอาสุนเด้ยบไปไ่ได้เอาตานใจชอบเด้ยบไนั่นได้ทั่วถึงกันเลยเมื่อเดี๋ยวโอ้ยโดนก็เหลือ อันน oh, k, oh. ี so ้กันเพราะเบรกไว้เบรกไว้ถึงเท่หิ่มโอ้ยหมหาเป็ดไก่แซวสะยุ่งเบรกไว้เพื่อจะเอาไว้ลายมันเป็นเศษเป็นเดนขาหักพักเส่นในสันเม็ดแล้วนั่นตะขากลอกกับกล้วยจะเห็นไม่ออกนึงไปเมืองกำบแพงเป็ดก็น้อยสันก็ขอกับกล้วยผิดท่ำบอบสัน เออนั่นละดีประเนก็มีคูอเหตุได้เยอะล่ะแล้วคนน้อยเหตุอะไรแล้วก็คือตายละ่ะเศรษกิเละตายป่าก็ตื่นรม่นมหาหม่ดอกดีละมาใส่เหลือพริบอกสิเก้าต่อจันย์เรืมต้นเรื่มต่อเรื่มหลักพอแม่หลวงปู่ปบุญบารมีหลวงปู่ไปโปรดเท่าพ อ, อดพูน คือขายสายหลวงปูคณะป harma เจตียแน่ก็บว่าซื้อผู้ใดก็เว้าได้ตัวความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเข้าใจว่าเปนคุ้นเคยมากกับเป็นญาติพี่น้องลูกหลานหลวงปูลูกหลานหลวงปูบ่เห็นเมืเดือจากตัวเด็ปีจังเห็นทีหนึ่งหลวงปูจำก็น้อยได้ป๊อปคุณจำน้อยไต่จังว่า สักปีจังมาพอทีหนึ่งจําได้จังไหโอเคไปความคุ้นเคยเป็นญาติจังยิ่งไปบ่อยๆจิตใจดูดเดิมขอสินขาธรรมห่างจากรลักจากโลกออกไปถึงตัวมาบ่อยๆดีแล้วละอุปาหมากก็ดีเป็นบุญกุศลมาใช่เหลือท่านาั้งนอกท่านทานัท้ทงใน บุญกุศลออกตเนี่ยยมโูกด้านเด็เสียสละมาะร่วมแร่ร่วมใจร่วมกายร่วมใจแห้งกับทั้งกายทั้งใจ <c oughs> เป็นสิริเป็นมงคลบุญกุศลบุญกุ ศ, กศลนอเฮตนาถามแดนนี้บุญกุศลของคุณพระคุณเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งทักษิตร่างายในสากลนลกนี้ก็ะจงมาร่วมกันจงปกป้องปกปัวกรัวกษ า, าออกตอนเด็ย่อมโลกด้านยัติปิณอ์ มีตะกุ่มสุกตะกมเจริญสุกกายสุกใจเดินทางเด็กคว่มสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานจรงใดกานเงินจรงใดปัตตนาจร่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังคว่มมุ่งมัดนปัตตนาจงถุกจริงทุกประการเทอาสาธุแห้งๆได้ไหมประเทศลาวสามถั่ยเทียบ <c oughs> ตัว พ็จะทายทอกปฏิบัติเพราะกุ่มคือสาธุนยแต่หลวงปู่ับอกเรื่องอึดเขาว่าแก้งแต่ก็สาธุแล้วไปปทีบบของโต๊ะมือสวดๆพิธีของรอกคุณอนุมอกว่าผมเพิงดูปั่นก็แเรื่องไม่หลวงปู่สังเกตใอืมเดี๋ยวตัวธรรมประเนไอพรอ